ธรรมชาติที่สงสารบุคคลอื่นคือเรื่องทุกข์ของคนอื่นชื่อว่าการุณาหรือประทุกเขสติสาทูนังหาทยะกรรมปรนังกรโรตีติการุณาแปล ว, ว่าธรรมชาติที่ทำให้หทัยของคนดีหวั่นไหวในเมื่อสัตว์อื่นได้รับทุกข์ชื่อว่าการุณา หรือตังสุขขังรุนังทตีิติกรุณาธรรมชาติที่คำนึงถึงความสุขหรือความสบายของสัตว์อื่นชื่อว่าการุณาเนี่ยโดยความหมายที่ท่านดีกาจารย์ท่านอธิบายไว้ในดีกาว่าคำว่ากรุณานี้มีความหมายไปหลายในยยด้วยกัน นัยยะที่หนึ่งหมายถึงธรรมชาติที่สงสารบุคคลอื่นคำว่าประทุกขังเนี่ยสงสารคนอื่นที่ได้ทุกข์แล้วก็อยากจะปลดเรื่องทุกข์ให้แก่ บ, บุคคลอื่นเนี่ยชื่อว่ากรุณาทีนี้ปัญหาที่เราได้เราจะต้องคบคิดกัน ก่อนในตอนนี้ก็คือเราจะสงสารตัวเราเองไม่ได้หรือทำไมจะต้องสงสารแต่คนอื่นเท่านั้นอาจจะสงสารตัวเองบ้างก็ได้บางคนก็บอกว่าพิจารณาตัวเองแล้วก็น่าสงสารคือมาสงสารตัวเองความจริงการสงสารตัวเองเนี่ยไม่ถูก ในหลักธรรมะแล้วความสงสารนี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อเราสงสารคนอื่นถ้ารักตัวเองแล้วก็รักได้เช่นอย่างเมตตาธรรมท่านสอนว่าต้องปลูกฝังเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นในตนและความรักตนนี้เราก็รักด้วยกันงนั้นแปลว่าเมตตาแต่ว่าการุณาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสภาวะธรรม เป็นเจตสิกในประเภทอัปปมัญญาเจตสิก ค, คืออัปปมัญญาเจตสิกเนี่ยท่านแสดงเอาไว้ทั้งหมดมีอยู่สองดวงคือการุณากับมุทิตาการุณาเจตสิกดวงหนึง่งแล้วก็มุทิตาเจตสิกดวงหนึง่งกรุณาเจตสิกดวงนี้จะเกิดขึ้นก็เพราะมีความทุกข์ของสัรพ ษ, ษัเป็นอารมณ์ เช่นอย่างเราไปเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากเราเกิดความสงสารว่าสัตว์ผู้นี้กำลังตกทุกข์ได้ยากการสงสารว่าสัตว์กำลังตกทุกข์ได้ยากอย่างเนี้ยเป็นธรรมชาติของกรุณากรุณานี้ทาหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งคือทำให้จิตใจของคนดีเนี่ยวันไหวในพระบาลีตอนนี้ท่านใช้คำว่า พระทุกขเขสติสาทูนังหทยะกรัรมปนังกรโรติติก ร, รุณาหมายความว่าจิตใจของคนดีนั้นเมื่อเห็นความทุกของคนอื่นแล้วก็นิ่งดูดายอยู่ไม่ได้เกิดความหวั่นไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นไปจากความทุกแต่ถ้าจิตใจของคนไม่ดีเห็นคนอื่นเป็นทุกก็รู้สึกเฉย เป็นของธรรมดาบางทีก็ไม่ได้สนใจในความทุกข์ของคนอื่นเขาว่าเขามีความทุกข์อะไรบ้างและเราควรจะได้ช่วยเหลือปลดเปลื่องทุกข์ให้แก่คนอื่นได้อย่างไรคนที่ไม่มีความดีหรือคุณธรรมเพียงพอแล้วก็จะรู้สึกเฉยเฉยมองเห็นก็ผ่านไปเท่านั้นได้ยินก็สัตว์ว่าได้ยินให้ผ่านพ้นไปชั่วครู่หนึ่งครู่หนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้เกิดความสนใจว่าเราจะช่วยปลดเปื่องทุกข์ ให้แก่สรรพสัตว์เหล่านั้นน่ะได้อย่างไรแต่ถ้าเป็นกรุณาแล้วคนดีนั้นจกทนอยู่ไม่ได้ต้องขนไถ่กระตือรือร้อนว่าตัวเองเนี่ยจะช่วยเหลือปลดเปรื่องทุกข์ให้แก่คนเหล่านี้เขาได้อย่างไรไม่นิ่งดูได้เห็นคนอื่นได้ทุกข์ก็คิดหาทางช่วยเหลือทันทีนี่เป็นธรรมชาติของกรุณาคนที่มีกรุณานั้นย่อม ย่อมคำนึงถึงความสุขความสบายของคนอื่นเป็นที่ตั้งคำนึงถึงแต่ความสุขความสบายของคนอื่นอยู่เสมอในเรี่กว่ามีกรุณาสูงกรุณากับมุทิตานี้มีอารมณ์ต่างกันท่านบอกว่ากรุณาเนี่ยมีความทุกข์ของสัตว์เป็นอารมณ์ มุทิตามีความสุขความเจริญของศัตว์เป็นอารมณ์เจตสิกสองดวงเนี่ยต่างกันและเราจะได้ศึกษาถึงมุทิตาในโอกาสหน้าอีกครั้งหนึ่งวันนี้เพียงแต่ยกขึ้นมาเทียบให้เห็นว่าความต่างกันของเจตสิกทั้งสองดวงนี้ต่างกันตรงที่อารมณ์กรุณาจะต้องมีความทุกข์ของศัตว์เป็นอารมณ์ เราเห็นคนที่เขามีความสุขความเจริญแล้วเราก็บอกว่าแหมสงสารคนคนนี้เหลือเกินเขามีความสุขความเจริญมากน่าสงสารมากถ้าอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าเราจะต้องไปสงสารคนที่เขามีความสุขความเจริญกันทำไมความสงสารนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นความทุกข์ความเสื่อมของสัตว์อื่นต่างหากแล้วเราจึงจะเกิดกรุณาคือความสงสารขึ้น ฉะนั้นการแผ่กรุณาเนี่ยเมื่อเราเข้าใจว่าคาว่ากรุณานั้นหมายถึงความทุกข์ของตว์อื่นเราจะแผ่กรุณาเนี่ยกันได้อย่างไรเพราะว่ากรุณานี้บางครั้งก็ทำให้จิตของคนหมนหมองอย่างหลายหลายท่านด้วยกันที่เห็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากเห็นความทุกข์ของคนอื่นเขาก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ เกิดความเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยสแสดงให้เห็นว่าบางทีความทุกข์ของสันตสัตว์นั้นก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเศร้าหมองกับจิตใจของเราได้ยิ่งสิ่งใดที่เราไปพบไปเห็นแล้วเราช่วยเหลือเขาไม่ได้จิตใจของเราก็ยิ่งจะเป็นทุกข์มากขึ้นหลายท่านเคยร้องไห้เสียใจว่าช่วยเหลือคนอื่นที่เขาเป็นทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ไม่ได้ก็เกิดความเสียใจ อันเนี้ยกุศลจะมีกลับกลายเป็นอกุศลไปหรือเพราะว่ากรุณานั้นเป็นกุศลแต่ว่าผลลัพธ์ที่กลับมานั้นกลับกลายเป็นความทุกข์ความเศร้าหมองใจเราช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์ไม่ได้จิตใจของเราเนี่ยก็ไม่เป็นสุขเรารู้สึกว่าเป็นทุกข์ที่เราช่วยเขาไม่ได้ เ, เรื่องของกรุณานี้จึงเป็นหลักธรรมที่เราจะต้องพิจารณา ในด้านของการปฏิบัติเนี่ยให้ละเอียดเพราะมีฉนั้นแล้วการเจริญกรุณานี้จะไม่บังเกิดผลแต่อย่างใดอย่างมากจิตใจของเราก็จะเต็มไปด้วยความหม่นหมองที่เราไม่สามารถจะช่วยเหลือใครๆได้และจนกระทั่งเราเองต่างหากที่เป็นผู้เป็นทุกข์มากกว่าคนอื่นที่เขาได้รับทุกข์เสียอีกดังที่เราจะเห็นหลายๆถ้ำโดยกันต้องรอยเป็นทุกข์เป็นร้อน และดูเหมือนว่าจะทุกข์มากกว่าคนที่เขาทุกข์เสียอีกก็มีอันนี้เนื่องมาจากเพราะว่าเราไม่เข้าใจที่จะวางใจอย่างไรจึงจะเป็นกรุณาคือจะทำจิตอย่างไรจึงจะเป็นกุศลแล้วเรานี้ก็เป็นสุขคิดช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราก็เป็นสุขโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ความทุกข์น่ะเป็นของคนอื่น แต่ว่าตัวเราที่จะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็ไม่ควรจะเป็นทุกข์เราควรจะเป็นสุขที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นแต่เวลานี้การ ก, กลับกลายเป็นว่าการที่เราไปช่วยเหลือคนอื่นนั้นเราเองเป็นผู้รับทุกข์คนที่ไปช่วยเป็นทุกข์มากกว่าคนที่ถูกช่วยเราจะทำกันอย่างไรเพราะบางท่านบอกว่าเมื่อเห็นแล้ว บางทีรู้สึกใจไม่สบายที่ช่วยเหลือเขาไม่ได้มีโยมท่านหนึ่งนั่งรถผ่านไปเห็นคนหิ้วตะภาพน้ำตัวใหญ่จะไปขายที่พัตตาคารก็คิดว่าแหมไอ้ตะภาพตัวเนี้ยมันต้องถูกค่าแน่ๆสงสารเหลือเกินพอเห็นแล้วสงสารจับใจครั้นจะลงไปซื้อหรือก็ไม่ใช่ป้ายรถจะจอดรถจะต้องไปจอดอีกไกลทีเดียว กว่าเราจะเดินทางมาก็คงจะไม่ทันต่อการเวลาไอตกภาพน้ำตัวนั้นคงจะถูกเพ่อครัวในพัตตาคารนะสังหารซะแล้วก็ได้แล้วก็ไม่สามารถจะช่วยซื้อตภาพนั้นตามที่ตัวเองอยากจะช่วยซื้อบอกว่าพอกลับไปถึงบ้านแล้วนอนไม่หลับนึกถึงแต่ตะภาพน้ำตัวนี้ว่าเราเนี่ยช่วยเหลือมันไม่ได้ ทำให้จิตใจเกิดความไม่สบายขึ้นอย่างนี้มาถามว่ามันจะกลับกลายเป็นความทุกข์เป็นบาปเป็นกรรมอะไรไหมความจริงความเศ้าหมองของจิตนั้นในทางประมาทสภาวะเนี่ยถือว่าเป็นบาปเพราะว่าคำว่าบาปในทางประมาทธรรมนั้นหมายถึงสภาวะของจิตที่เศ้าหมองแต่จิตของเราเกิดความเศร้าหมองขึ้นเมื่อใด คราวนั้นแหละเราเรียกกันว่าจิตนี้มีบาปการที่เราช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ช่วยเหลือสัตว์อื่นที่เป็นทุกข์ไม่ได้แล้วใจเราเศร้าหมองมันก็ไม่เป็นผลดีแก่ตัวเราทีนี้ถ้าเราพบปัญหาเช่นนี้ขึ้นเราจะทําอย่างไรจิตใจของเราเนี่ยจึงจะไม่เกิดความเป็นทุกข์และความเศร้าหมองในเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้ข้อนนี้ท่านมีหลักปฏิบัติอยู่แล้วว่าสิ่งใดที่เราช่วยเหลือเขาไม่ได้ สิ่งนั้นเป็นเรื่องของกรรมเพราะว่าเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นการช่วยกันไม่ได้สัตว์เหล่านั้นเขาอาจจะมีกรรมมาก็ได้ถ้าเขาไม่มีกรรมมากเขาอาจจะเห็นเราในจังหวะที่เหมาะเจาะที่เราพอจะช่วยเหลือเขาได้แล้วเขาก็จะรอดพ้นจากความตายแต่นี่เพราะเหตุว่าสัตว์เหล่านี้มีกรรมมากคงจะทำกรรมแต่อดีตมามากเราจึงไม่สามารถจะช่วยเหลือได้เมื่อเราปรารบกรรมของสัตว์เป็นอารมณ์อย่างนี้ ความเศร้าหมองต่างๆก็อาจจะลดน้อยลงเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนและเรื่องของกรรมนี้ใครๆก็ช่วยเหลือกันไม่ได้นอกจากผู้นั้นจะต้องช่วยตัวเองวิบากรรมนั้นน่ะใครๆช่วยกันไม่ได้กรรมนั้นใครทำใครได้เมื่อมีการกระทำแล้วก็ต้องได้รับผลแห่งการกระทำเมื่อเราปรารลกรรมอย่างนี้เราก็อาจจะสบายใจว่าอ๋อเนี่ยเป็นกรรมของสัตว์ เขาทำกรรมอย่างนี้มาเขาก็ต้องรับกรรมอย่างนี้ต่อไป เ, ออเราช่วยเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยชีวิตเนี่ยให้เป็นไปตามกรรมการปรารบกรรมอย่างนี้เป็นอารมณ์เนี่ยก็อาจจะช่วยปลดเปลื้งจิตของเราไม่ให้เกิดความทุกข์ความหมุนหมองจนเกินไปนักฉะนั้นาการใช้กรุณานั่นจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาถึงรายละเอียดทางด้านของการปฏิบัติว่าเราจะต้องทาจิตอย่างไร จึงจะเป็นกรุณาวิธีการแผ่กรุนานี้เป็นวิธีการปฏิบัติในทางนามธรรมซึ่งเราจะต้องศึกษาให้ละเอียดถึงสภาวธรรมส่วนนี้ว่าการที่เราจะปฏิบัติธรรมในข้อกรุณา t h ้เราต้องศึกษาให้ลึกซึ้งถึงกรุณาเสียก่อนว่ากรุณานั้นมันมีสภาวะอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะสภาวะลักษณะนี้ท่านอธิบายว่าลักษณะของกรุณาเนี่ยอธิบายเป็นมาลีว่าทุกขาปณะยะนาการะประวติลัคนากรุณามีความเป็นไปโดยอาการบำบัดทุกของบุคคลอื่นเป็นลักษณะ มีการบำบัดทุกข์ของคนอื่นเป็นลักษณะคือการช่วยบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นเป็นลักษณะเนี่ยเพราะฉะนั้นลักษณะของกรุณานี้ก็คือการช่วยบำบัดหรือการช่วยบรรเทาถ้าบำบัดไม่ได้ก็ขอให้บรรเทาทุกข์ของคนอื่นที่เกิดขึ้นจะเป็นทุกข์ของสัตว์ เหล่าใดก็าตามจะเป็นเบริชานหรือเป็นมนุษย์ถ้าเขามีความทุกมาเขาบากหน้ามาหาเราพอจะช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือไปถ้าช่วยเหลือบำบัดไม่ได้ก็ขอให้ช่วยบรรเทาบรรเทาเนี่หมายถึงทำความทุกข์อันใหญ่หลวงเหล่านั้นอะ่ะให้ลดน้อยลงหรือชี้ช่องทางให้แก่บุคคลเหล่านั้นในทางที่ถูกว่าเราควรจะหาทางออกอย่างไรควรจะทาอย่างไร เราจึงจะพ้นไปจากความทุกข์เช่นนี้ได้อย่างเนี้เรียกว่าช่วยบรรเทาส่วนบำบัดนั่นนะคือช่วยลดเปลืองทุกข์ให้หมดไปจริงๆทุกที่มีอยู่เท่าไรเท่าไรแล้วก็ช่วยขจัดทุกข์เหล่านั้นให้หมดไปอย่างนี้เป็นลักษณะของกรุณาเพราะฉะนั้นลักษณะเนี่ย จ, บบจึงมีทั้งบำบัดจึงมีทั้งบรรเทาทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแล้วแต่เราจะช่วยเหลือเขาได้นี่โดย ลักษณะของกรุณาส่วนโดยหน้าที่ถ้าหากว่าเจตสิกดวงนี้หรือคุณธรรมเช่นนี้เกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วจะทำหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งคือประทุกขาสหนรสาแปลว่ามีการอดกลั้นต่อทุกของบุคคลอื่นไม่ได้เป็นกิจคือเมื่อเห็นทุกของคนอื่นแล้วก็อดกลั้นไม่ได้ ต้องหาทางช่วยเหลือทันทีนการอดกลั้นต่อทุกข์ของบุคคลอื่นไม่ได้อย่างนี้เป็นธรรมชาติของกรุณาเห็นทุกข์และทนอยู่ไม่ได้ซึ่งคนที่เห็นทุกข์ของคนอื่นแล้วทนอยู่ไม่ได้นั้นเป็นคนที่มีกรุณาสูงเพราะว่าส่วนมากในปัจจุบันถ้าสังคมใดมีความเจริญ มากขึ้นทางด้านวัตถุความสนใจในสุขทุกข์ซึ่งกันและกันเนี่ยจะมีน้อยบางคนก้มหน้าก้มตาที่จะช่วยตัวเองจนกระทั่งลืมมองไปรอบๆตัวเราว่ามีใครบ้างที่เขายังช่วยตัวเองไม่ได้เราอาจจะไม่ได้ดูคนอื่นไม่ได้พิจารณาดูโดยรอบคอบว่าเราเนี่ยจะช่วยเหลือใครได้บ้าง ในสังคมมนุษย์ที่เราได้เกิดมาเราช่วยตัวเราเองได้แล้วแต่ว่าคนอื่นเขาช่วยตัวเขาเองได้แล้วหรื อ, อยังเขามีความทุกข์อย่างไรที่เราควรจะช่วยเหลือกันบางทีเราไม่ได้พิจารณาถึงคนอื่นบางคนก็มุ่งแต่จะตักตวงเอาความสุขให้แก่ตนคนเดียวเท่านั้นไม่ได้คํานึงถึงคนอื่นว่าเขาจะมีความสุขหรือไม่ การมุ่งแต่ความสุขส่วนตนโดยไม่ได้พิจารณาว่าคนอื่นเขาจะเป็นสุขหรือไม่อย่างนี้ทำให้ความเป็นอยู่ร่วมกันนั้นไม่สมบูรณ์เริ่มตั้งแต่ปัญหาในครอบครัวเป็นต้นไปคนในครอบครัวนั้นต้องคำนึงถึงซึ่งกันและกันต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันคนหนึ่งจะมุ่งเอาความสุขแก่ตนฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ยังจะต้องพิจารณาด้วยว่าคนอื่นเขามีความสุขไห ควรจะเอื้อเฟื้อให้คนอื่นเขามีความสุขได้บ้างอย่างไรการเป็นอยู่ในครอบครัวนั้นจึงจะเป็นปกติสุขแต่ถ้าหากว่ามุ่งเอาความสุขส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงความสุขของคนอื่นแล้วบางทีความเป็นอยู่ในครอบครัวก็เกิดปัญหายิ่งในสังคมมนุษย์ส่วนใหญ่ด้วยแล้วยิ่งจะต้องพิจารณาในเรื่องนี้ให้มากเราเป็นสุขคนอื่นเขาเป็นทุกข์เราจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไรเราก็อยู่เป็นสุขไม่ได้ เราต้องให้คนอื่นเขาเป็นสุขร่วมกันกับเราด้วยเพราะว่าในสังคมมนุษย์นี้เราไม่ใช่อยู่โดดเดี่ยวเพียงคนเดียวเราอยู่กันหลายหลายคนเมื่อเราอยู่กันหลายหลายคนเราก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่คนอื่นไปด้วยอย่ามุ่งแต่ความสุขส่วนตนคนเดียวคนที่มุ่งความสุขแก่ตนเพียงคนเดียวแล้วก่อทุกข์ให้แก่คนอื่นนั้นจะมีความสุขได้อย่างไรชีวิตของตัวเองก็ไม่มีความสุข และผลสุดท้ายความทุกข์ที่คนอื่นเขามีมากๆ ม, มันก็จะเกิดเบียดเบียนตนขึ้นมาทําให้ตนนี้ไม่สามารถจะเป็นสุขได้เนี่ยในปัจจุบันนี้เราจึงควรเอื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ความสุขที่เรามีอยู่เนี่ยให้คนอื่นเขาบ้างในเมื่อเราช่วยตัวเราเองได้แล้วเราก็ควรจะช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างเท่าที่เราสามารถจะช่วยได้การปฏิบัติเช่นนี้จะทําให้สังคมมนุษย์ของเรานี้น่าอยู่ขึ้น แทนที่เราจะมุ่งแต่ความสุขส่วนตนเราก็พิจารณาถึงคนอื่นที่เขาอยู่ร่วมกันกับเราว่าเราควรจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความสุขของเราให้แก่คนอื่นนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้ความสุขของเรานี้ลดน้อยลงไปก็หาไม่ขอให้ท่านพิจารณาดูให้ละเอียดดึกซึ้งว่าการที่เราเผื่อแผ่ความสุขที่เรามีอยู่ให้แก่คนอื่นนั้น มันทำให้ความสุขของเราลดน้อยลงหรือทำให้เราเป็นสุขมากขึ้นและการที่ไม่เอื้อเฟือเผื่อแผ่ความสุขให้แก่คนอื่นเพราะเกรงว่าความสุขของเราจะลดน้อยลงนั้นมันทำให้เราเป็นสุขหรือทำให้เราเป็นทุกข์ขอให้เราชั่งน้าหนักกันดูคนที่อื้อเฟือเผื่อแผ่ความสุขให้แก่คนอื่นก็ไม่ใช่ทำให้ความสุขในตัวเองเนี่ยลดน้อยลง เรากลับเป็นสุขมากขึ้นอีกตั้งหลายเท่าตัวเมื่อเห็นคนอื่นเป็นสุขแต่คนที่ไม่ยอมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ท่านจะสังเกตได้ว่าจะอยู่อย่างสะดุ้งหวาดกลัวนอนอย่างถวาไม่มีความสุขคอยระแวดระวังเกรงว่าคนอื่นเขาจะมาเบียดเบียนเกรงว่าคนอื่นจะมาก่อความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยเป็นเพราะเหตุว่าเราตระหนี่ความสุขในตัวเรา ไม่ยอมเผื่อแผ่ความสุขที่มีอยู่เนี่ยให้แก่คนอื่นผลสุดท้ายตัวเราต้องเป็นทุกข์มากขึ้นไม่ใช่เป็นสุขเลยแต่ถ้าเอื้อเฟื้อแล้วเราเป็นสุขเราสบายทุกคนก็เป็นสุขทุกคนก็สบายไม่มีใครจะมาคิดเบียดเบียนแต่ถ้าเราไม่เอื้อเฟื้อให้เราเองก็ต้องเป็นทุกข์เกิดความหวาดรัวเกิดความหวาดระแวงต่างๆมันจะเป็นสุขได้อย่างไร ชีวิตที่เป็นอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นการที่เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความสุขในตัวเราให้แก่คนอื่นเขาบ้างนั้นเป็นทางปฏิบัติที่ถูกเป็นการเสริมสร้างความสุขให้แก่ตัวเราเองด้วยอย่าคิดว่าเป็นการสร้างความทุกข์ความทรมานให้แก่ตัวเราควรที่เราจะได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เนี่ยพิจารณาในด้านผลได้ผลเสียให้ละเอียดแล้วเราถือมาเป็นหลักปฏิบัติว่าเวลาเนี่ยเราควรจะทําอะไรบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าใครจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะฉันไม่สนใจขออย่างเดียวว่าให้ฉันเป็นสุขก็แล้วกันถ้าความคิดอย่างนี้มีมากๆคนก็จะเห็นแก่ตัวมากความทุกข์ก็จะมีมาก นอกจากจะไม่คานึงถึงทุกข์ของคนอื่นแล้วบางคนยังเห็นว่าความทุกข์ทรมานของคนอื่นนั้นเป็นความสุขอย่างหนึ่งเห็นความทุกข์เห็นความวิบัติของคนอื่นเป็นของสนุกสนานเป็นของที่น่าสนใจซึ่งอันเนี้ยเป็นสัญชาตญาณที่ฝังใจอยู่ในจิตของมนุษย์มานานแล้วเรามีกีฬาทรมานสัตว์มาตั้งแต่ดึกดาบรร เช่นอย่างเราเอาสัตว์ต่อสัตว์มาชนกันชนวัวก็ดีชนไก่ก็ดีกัดปลาก็ดีแข่งม้าก็ดีหรือแม้แต่คนชนคนกันก็ดีเราถือว่าเป็นของสนุกบางแห่งมีกีฬาชนิดหนึ่งกีฬาโบราณที่จังหวัดพระตะบองประเทศกรัรมพูชามีกีฬาชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ากีฬาหัวล้านชนกัน คือเอาคนที่มีทิษะาร้านต่อศิษาร้านเนี่ยมาชนกันตอนอาตมาไปที่พนมเปญต่งานถวายพระเพลิงศพสมเด็จพระสังฆราชกรุงกัมพูชาทุกจังหวัดเขาจะนำเอาวัฒนธรรมพื้นเมืองเนี่ยมาแสดงรอบๆงานบริเวณพิธีจังหวัดพระตะบองนี่คนมุงเต็มหน้าหน้าร้านหมด ถามว่าเอเขามุงดูอะไระทางเจ้าหน้าที่ก็พาไปดูปรากฏว่ามีกีฬาชนิดหนึ่งคือหัวล้านชนกันคนที่สาระล้านกับที่สะล้านเนี่ยมาชนกันเป็นกีฬาพื้นเมืองมีจริงๆบอกแม้นะศรษะไม่แย่หรือก็บอกก็ไถ่ๆไปเฉียวๆไปแต่ว่าที่โดนหนักที่สุดก็คือเอาไหลชนกันเดิมทีเดียวนั้นเอาศรีษะกับศีษะเนี่ยโคล ก, กันว่าใครจะแข็งกว่ากัน คนชอบใจเฮเฮเฮกันไปหมดแม้แต่มวยที่ต่อยกันถ้าคู่ไหนไม่น็อกหรือไม่ต่อยให้ฝ่ายหนึ่งสลบชักดิ้นบนคาเวทีเราก็บอกว่าแหมดูมวยคราวนี้ไม่สนุกถ้าจะสนุกต้องอีกฝ่ายหนึ่งลงไปชักตาตั้งแล้วก็สนุกนลักษณะดังกล่าวเนี่ยเราถือว่าความทุกข์ของคนอื่นเป็นของสนุกเห็นคนอื่นเป็นทุกข์แล้วสนุก เห็นคนอื่นเขาวิบัติแล้วชอบใจไฟไหมที่ไหนไม่นิดเดียวดับทันไม่สนุกถ้าจะสนุกต้องไหมทีสรกสี่สี่ห้าสิบไร่โอมขึ้นมาแหมอยากดูชอบดูเนี่ยความวิบัติอื่นๆแบบนี้เราชอบแต่ความสุขความเจริญเราไม่ค่อยชอบดูไม่คยสนใจใครเขาเป็นสุขใครเขามีความเจริญเราไม่สนใจเราสนใจความทุกข์ของคนอื่น คนเขายืนคุยกันข้างถนนดีๆเรียบร้อยเราไม่สนใจจะฟังแต่ถ้ายืนท้าสเสด่าพ่อร่อแม่กันเราฟังล้อมกันเต็มไปหมดเนี่ยแสดงว่าความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยเราชอบความทุกข์ชอบความวิบัติชอบความเสื่อมของคนอื่นแล้วก็เราสนใจถ้าความสุขความเจริญเราไม่สนใจเนี่ยบางคนก็มีจิตใจ อย่างนี้ซึ่งอันเนี้ยเป็นพื้นฐานทางจิตที่มีมานานแล้วในทางพระพุทธศาสนาถือว่าความทุกข์ของคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่เราควรช่วยเหลือกันไม่ใช่เราจะไปช่วยเสริมสร้างให้เขาเป็นทุกข์มากขึ้นอย่างเราเห็นว่าการปรมานกันเนี่ยหรือการเบียดเบียนกันเห็นว่าเป็นของสนุกสนานแล้วเราก็ไปเชีย ไปให้กำลังใจว่าควรจะทำให้หนักลงไปอีกชนก็ชนให้หนักลงไปอีกถ้าต่อยก็ต่อยให้หนักลงไปอีกไม่ควรจะเอาเบาๆอะไรหลาบเนี่ยเราเชียร์กันอันนี้เป็นการสะสมกรรมชนิดหนึ่งขึ้นภายในจิตเป็นโทษนะอย่างคนดูมวยเนี่ยเป็นโทษมากคนกัดปลาคนชนไก่ชนบัวเนี่ยเป็นโทษมาก เพราะว่าบุคคลประเภทนี้ท่านบอกว่าคือมีผู้ถามถึงคติของกรรมว่านายนิรยาบาลเนี่ยเขาทากรรมอะไรมาเพราะว่านายนิรยาบาลเนี่ยถือเอาการทรมานสัตว์นรกเนี่ยเป็นกีฬานายนิรยาบาลไม่ใช่สัตว์นรกไม่ใช่สัตว์นรกแต่ถือว่าการทรมานสัตว์นรกเนี่ยเป็นเกมกีฬาของเขา วันดีคืนดีก็ไปสกิดสัตว์นรกขึ้นมาตีหัวเล่นซะบ้างบางทีก็ไปสกิดที่เขาประพฤติกาเมสุบิชาจารย์มาไล่ขึ้นต้นงิ้วแล้วก็อณามแทงเขาบ้างเอาหอกทิ่มเขาบ้างว่าแม้สนุกสนานดีบางทีก็ไปปลุกสัตว์นรกขึ้นมาเพี้ยนมาตีมาห้ามหันเป็นวิธีการประมาสัตว์นรกเขาบอกว่าพวกนายนเรียบารเนี่ยไม่ใช่สัตว์นรก แล้วก็ไม่ใช่เทวดาแต่ว่าเป็นบุคคลที่ชอบทรมานสัตว์นรกเป็นเกมกีฬาเป็นของสนุกเหมือนอย่างเรา <c oughs> ไปจับไก่มาตีกันเราไปจับบัวมาชนกันเราก็ว่ามันสนุกเนี้รัรษณะดังกล่าวเนี่ยเหมือนนายนิริยาบานไม่มีผิดระหว่างนายนิริยาบาล น, นั้นก็ใช้วิธีอย่างนี้ทรมานสัตว์นรก ถ้าเราสั่งสมกรรมชนิดนี้ไว้มากๆท่านบอกคติคือเมื่อเราตายจากโลกมนุษย์นี้ไปแล้วเราอาจจะต้องไปเกิดเป็นนายมรรยาบาลแล้วก็ไปทรมานสัตว์ในโลกล่าวนี้ก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการสั่งสมกรรมอย่างเนี้ไม่ดีและก็เป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้เหี้ยมโหดทารุณไม่มีกรุณาต่อสัตว์เห็นเป็นของสนุกสนานไป ไอ้ตัวไหนแพ้ก็จับเชือดคอกินเสียจิตใจของคนก็เที่ยมเกรียมขึ้นตามลำดับเนี่ยเพราะฉะนั้นกรุณาเนี่ยเราจะต้องปลูกฝังให้เกิดแล้วก็ต้องป้องกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นปฏิปัต่อสภาวะจิตอย่างนี้เราเห็นคนอื่นเขาเป็นทุกข์เราก็ควรที่จะสงสารควรตั้งจิตกรุณา ช่วยเหลือเขาให้พ้นจากทุกข์เหล่านั้นถ้าช่วยบำบัดไม่ได้ก็ขอให้ช่วยบรรเทาอย่าปล่อยปละละเลยซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นหน้าที่ที่กรุณาจะต้องปฏิบัติประการที่สามอาการของกรุณาที่จะปรากฏท่านกล่าวว่าอาวิหิงสาปั จ, จุปัฏฐานามีการไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเป็นผลปรากฏหมายความว่า กรุณาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นภายในจิตของคนใดจิตของคนนั้นก็จะไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นคือจะไม่เบียดเบียนใครให้เป็นทุกข์แต่มุ่งจะช่วยบำบัดทุกข์ให้แก่คนอื่นเท่านั้นอันนี้เป็นอาการของผู้ที่มีความกรุณาประการที่สี่เหตุให้เกิดขึ้นเหตุที่จะให้เกิดกรุณาเนี่ยเราจะทำอย่างไรกรุณาจึงเกิด ท่านอธิบายว่าทุกขาภูตานังอนาถภาวะทัศนประทัดฐานามีการเห็นสัตว์ผู้ไร้ที่พึ่งซึ่งถูกความทุกข์ครอบงำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดขึ้นหมายถึงว่ากรุณาเจตสิกดวงนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเห็นสัตว์ซึ่งไร้ที่พึ่ง และมีความทุกข์ครอบงำอยู่เป็นเหตุกรุณาจึงเกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นการเห็นคนอื่นเป็นทุกข์นั้นก็เป็นการดีอย่างหนึ่งซึ่งทําให้กรุณาคือความสงสารเนี่ยเกิดขึ้นเพราะกรุณาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนอื่นเป็นทุกข์เขาเป็นทุกข์เราจึงเกิดความสงสาร มีพระผู้ใหญ่ท่านเคยพูดว่าระหว่างความริษยากับความสงสารเนี่ยอย่างไหนจะดีกว่ากันความริษยากับความสงสารว่าอย่างไหนจะดีคือในชีวิตของคนเนี่ยเราถูกคนอื่นเขาริษยากลับถูกคนอื่นเขาสงสารตวักอย่างไหนจะดีกว่ากัน ถ้าเราไม่ศึกษาถึงประมัติสถาวะแล้วเราอาจจะไม่ทราบว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันแต่ถ้าเราศึกษาในประมัติแล้วเราจะตอบได้ทันทีว่าริษยาดีกว่าเพราะเหตุใดจึงดีกว่าเพราะว่าริษยาเนี่ยเป็นอิสาเจตสิกอิสาเจตสิกดวงนี้จะเกิดขึ้นได้ ก็เพราะสมบัติหรือความเจริญของคนอื่นเนี่ยเป็นเหตุ